ธรรมชาติเอาช่วยได้ก็เกิดความ <c oughs> สมกับธรรมชาติด้วยอีกครั้งจะไปคิด <c oughs> อย่าให้มันเปลี่ยนไปตรงๆตั้งเสียงเสียงสนุกกลิ่นธรรมชาติจากเบลอเราได้สัมผัสกับ สงบจาเข้ารูปเข้ารอยเห็นเข้า ให้ช่วยเราอยู่แต่ขอให้เรา วิริยตัศน์เอานิสัยปัจจัยตัศน์เพื่อจะให้ได้ตรงก็ จริงมั้ยแค่ๆสังขารนั้นน่ะพากหย่อยาเออต้องมันมั่นคง เราก็จัดจัดการกับชีวิตตัวเองพอเราทํางานทําการ <c oughs> แต่ควรจะยุบแต ตัวอะไรตัวเป็นธรรมชาติหม่องเราให้เป็นธรรมชาติที่นั้นเคยทําอย่างเงี้ยตัวทีนี้เราก็ได้เข้า <c oughs> ตรงที่เกิดไม่ไม่เก็บไม่ตายอยู่ธรรมชาติปกติความโกรธไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมชาติความสงบตรงนั้นน่ะเป็นตรงที่เกิดแก่ สมัยอันโตเทศภาวะที่ไม่สึกใสแก่และเก็บไปตายเราอยู่ไม่ไม่อยู่วิสัยที่เราจะสร้างตัวนี้ขึ้นมา ก็แก่ตกลงด้วยคนโลกพะเนน รักษาให้จําได้เสียแต่ว่าไม่รักษาคง som บังสชมัยอุอากาศภาษาหัวใจเศรษฐีอุก็คือเคยอ่ะก็จะรักษา เพียงคิดเป็นแต่คิดเป็นพูดเป็นทําเป็นในสิ่งที่ได้ mina inte har jag inte ens haft några partner. Mina inte har jag inte ens haft några partner. Mina inte har jag inte haft några partner. Mina inte har jag inte haft några partner. Mina inte har jag inte โยคินัยเหล่าอากวยถ้าเหมือนแท้ไปปก ทั้งละแก่ปากคนเดียวก็ครบคนล่มเลยชื่อปานได้ไม่ใช่เพียงแค่เพราะว่าพระองค์หวงหน้าของหลักนะครับหวงหน้าของอมซ่าพอแล้ว ไม่หมดข้อต้องให้ผู้ตนสงบองค์ชีวิตน่ะสร้างให้เป็นสร้างตัวสร้างตนให้เป็นมีเมตตากรุณามีความอดทนมีความไม่กระไกลมี มีสติสมถะปัญญามีศีลมีสมาธิมีปัญญามีมรรคมีลุกๆขั้นๆนี่คือ <laughs> ไม่มั่นมันชีวิตที่ไม่มั่นชีวิตที่ก็บาดถ้าเป็นใจก็ใจเศาะๆใจครอบ ก็รู้สึกตัวปวดปวดก็รู้สึกตัวด่ะท้องง่วงก็รู้สึกตัวด่ะพอคิดองค์ศาสดาก็ ไม่ใช่เจ็บไม่ใช่บ่วยนะเป็นความรู้สึกตัวเป็นอาการไม่มีอะไรอาการเมื่อรู้อ่ะอาการเมื่อรู้เนี่ยที่มันหลง พอแก๊กตัวว่าปะแกะดะชักคนที่ไม่เคยแค่ เพราะฉะนั้นมันนี่เพราะอนุชนนท์ต้องขนาดแล้วขนาดนี้จึงจะเป็นบันดิลามังคโล โลกก็ก้าวตักตื่นในอ่าภายนอกภายในเราก็พยายามเตือนครับแต่มัน ไม่เคยได้หมดผู้คลื่นทั้งนานการเจริญสติได้บทเรียนไม่ใช่เราก็นั่งหลับโหล่ล้าบริการทั่วไปน้อยใช้ใน อาหารโน่นมันก็ได้อบมันก็ได้คุณภาพอาหารหางก็ได้เหมือนเหมือนแหละที่มันจะเป็นทองคํา ลักษณะอย่างนั้นรออ่อนๆลูกๆสําคัญนะครับการเจริญ นอยขาดแม่อ่าปรากฏที่มีแม่มันก็ ฌานเจริญสติเนี่ยมันปลื้มพอเลยพอได้ติดตาม <c oughs> จิตเป็นกระทันกิเลสไม่เคยเห็นความ มันสิเปิดแล้วเปิดตัวต่อไปในสามีคันยาก็เปิดด้วยความรักกันพิจารณาแล้วก็เปิดต่อสัจจริงลัทธ์แท้ลัทธิเถียงเพื่อนแท้เพื่อนเถียงไม่แท้มิตรเถียงก็เปิด เห็นอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับ สมมุติมันอยากวัตถุอาการต่างๆที่นี่ในรูปในนามตรงไม่เป็นอย่างคือความโกรธถ้ามันซื่อล่ะ เป็นความโกรธอ่ะเลิกได้เห็นความโกรธเห็นความไม่โกรธเป็นความโกรธเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธมันก็ขยันต่อนั้นเห็นความหลงขยัน โดยจัดการละเทศะอะไรลงท่อเปลี่ยนของรูปมันรู้จัดอันนี้เออมันก็เป็นโลกสมุทของโลกไปทางคนก็บัญญัติเองว่าดีว่าไม่ดีอันดีไม่ดีน่ะมันยังเป็น เอ่ออเนยละถูกเป็นปรมัตถ์นะหลังจากฟังกระเพเรมันเป็นปรมัตถ์มันเก่งนะมันเก่งเช่นความโกรธเป็นความมันเก่ง เนี่ยอัลลามะฮ์นี่จัดการกับตัวเรานี่ผู้ปฏิบัติคือจัดไปตัดปางจัด ไม่ใช่หรอกพอไม่ใช่กรรมนันคำนวณคนมีสตินับก็เป็น พลังด้วยฝีมือเราด้วยมือของเราเองนะพลังแห่งสตินะไม่ว่าเราจะทําอะไรการทําอะไรต้องมีเหตุ <c oughs> เรากรรมฐานวิชากรรมฐานรักภาวนาเนี่ยมันมีอะไรที่จะเยี่ยมกว่าวิชาความคิด แต่มันหลักคิดกับตั้งใจคิดมันเป็นยังไงควรที่จะใช้ส่วนไหนเลือกให้เป็นชีวิตที่เลือกหลักการปฏิบัติธรรม ถ้าที่ใดนิมิตสัจจะที่ที่นั้นต้องเป็นสมาธิที่นั่นเองพอผู้ปฏิบัติธรรมมันจะเป็นอย่างตันเลือกทางการนะ ทางใจนั่งอยู่เฉยๆก็สู่ความวิรูปนี้ไปจากความหลงคลายไปเรื่อยๆนั่งอยู่แค่เดียวก็คลายไปเรื่อยๆคลายความหลงมันคลายได้ ไตรท่านวัดของคิดน่ะแต่ว่าไม่ได้ตรงตับพอพองไปพองสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเอ่อเลยเป็นพระเกียรติโดยไม่รู้สึกตัวใครจาก ความทุกข์มันอยู่ใกล้ๆความแต่เดิมก่อนไม่ทุกข์อยู่ใกล้กว่าความไม่แต่เวลาจะเรียกโกษให้ไปทุกข์ได้ใจลงมัน มันมันแล้วที่ต้นหิมใส่ฝาผนังมัน man kan med färdiga händer göra något. Man kan med färdiga händer göra något. Man kan med färdiga händer göra något. Man kan med färdiga händer med färdiga händer göra något. Man kan med färdiga händer เพราะฉะนั้นใต้นี้มีชีวิตพลุงตลอดอยู่เจออาราหเวกขันธ์ 5 เป็นของหนักเป็นองค์การของเบาเป็นองค์การละอุตะความ ตนตก็อยู่ด้วยกันน่ะก็ได้ ความยินดีความยินร้ายก็เก็บเอาความสุขความทุกข์ก็เก็บเอาก็เก็บก็ค่นเอาเอ่อสังขาร มันมีทุกข์กับความที่คงมันขาดแคลนความไม่คงมันอุดมสมบูรณ์ตัวว่าวิสังขารเราเห็นเนี่ยเนี่ยปฏิวัตรครับเออจับพอ พอปฏิบัติก็ต้องได้แค่นี้แหละต้องรู้ความ ไม่ต้องมีอ่าโจดไม่ต้องมีโจดผิดเพราะไม่ถูกเป็นจำเลยพอเราได้รับฐานะคน เห็นน่ะในรูปก็มีอะไรเยอะแยะในนามมีอะไรเยอะแยะตํารอบไป <c oughs> ที่ทําให้ลูกมันโลธเป็นสัญญาณภัยที่ทําให้น่ะมันย้อนมาเป็นสัญญาณภัยของลูกนะดีมันเป็น ธรรมชาติของต่อเป็นอนาถความหนาวสัญญาณไฟธรรมชาติของพอเป็นอนาถแล้วก็ไม่ใช่อวัฏฐ์เป็น ทั้งกระหลองในความหิวบางคนเอามาเป็นทุกข์ไม่ใช่เรื่องเป็นทุกข์เลยความหิวเป็น เอ่อเป็นเอาปัญญามาเกิดเป็นงานอย่างนี้แหละเลยคณะก็เป็นปัญญาปัญญาก็เป็นปัญญาสังขารเป็นปัญญาวิญญาณเป็นปัญญาพระ ภาโวเมตตาจาย่อมทรงแนะนําสาโลกทั้งหลายนี้เป็นส่วนมากเอวังก็จะตรัสพระพุทธโฆตุสาังเกสอนุสาระอนุสาระนี่คือมากสาสงฆ์สาโลกเอาเอา มาเป็นปัญญาเป็นปัญญาปัญญาพุทธะเป็นอย่างไรปัญญาปัญญาฉลาดไม่ อาริยชนอาริยบุคคลไม่เป็นโทษเลยมาเป็นปัญญามันมีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเอาไฟฟ้ามาใช้เป็นประโยชน์ <c oughs> เวทนาก็มนุษย์ธรรมเวทนาก็เป็นโทษอ่ะเวทนามาเป็นโทษเวทนามาเป็นเครื่องมนุษย์ธรรมเอ่อปัญญามาเป็นเครื่องสังขารมาเป็นเครื่องมนุษย์ธรรมพ้นแล้วไปโลกโลกรูปธรรมชาติ ในนามก็มีตามเยอะแยะกิเลสก็มีในรูปกิเลสก็มีในนามที่ที่มันเป็นการสร้างที่มันว่าก่อมาใช้รูปใช้นามให้เป็นกิเลส กิเลสมาใช้ลูกให้เกิดกิเลสเข้าค้างกิเลสรับใช้กิเลสรับใช้ความชั่วเอามารับให้เอามาแล้วต้องบอก สภาเตเน่ไปจะไม่ใช้รูปใช้นามให้ทําชั่วคิดชั่วแต่ก่อนนี้มันใช้รูปตามปรมาคิดชั่วทําชั่วพูด เพราะว่าใช่เห็นแล้วใช่แต่ก่อนไม่เห็นก็ ถ้าให้เลือกใช้นาเป้ ก็พูดนี่ที่คิดจะคิดกดมาต้องเป็นโทษของตัวเองแล้วคน <c oughs> ไส้ทํางานให้มันสําเร็จไปดูแลไปช่วยบําเพ็ญสงฆ์ให้ดอกช่วยเยอะแยะถ้าเขาเป็นคนดีนะเมื่อเจอเครื่องพาสัตว์สามีก็จะเห็นภรรยาเป็นคนดีภรรยาก็จะเห็นสามีเป็นคนดีจะ ก็ขอให้ไปแกงดูหน้าพี่เป็นคนขาดบุญอ่า ชีวิตเทศน์ขาบุญมากๆไป สมัยทําก็แค่ได้อ่ามันทับเข้ามามันบังคับให้ทํากับทําไปไม่เหนื่อยอ่าเหน็ดเหนื่อยมากพอ <c oughs> แท้กว่าได้อยู่ด้วยกับท่านพระองค์ในแสงทรงเทียนทรงอุปนะครับมา สารีมีตอ่าไม่ใส่ขาบุญมันมาก็ไม่บุญอ่ามีกิจใจที่ไม่บุญเกิดอ่าปุจจาเป็นหน้ากันก็ ส่วนแรงมันอุ่นจัดของเย็นเนาะอุ่นใจจากปั่นอุ่นใจนะเราก็ <c oughs> ій สิวทั่งหลายไป cities ไฟм ค chae ยยยยค소ในประโยชน์เซือวิธิ์กุ้น เชAdd คมไหนท 아� fi คนผมคใน promises ก็ omon จะต่อให้หรอเวลพ CONNEDic lands grad วิธิ์ o ปey ทำแล้วเวลพไฟไฟไฟไฟไฟ thank you where โลกูเต็บ ประโยชน์ต่อประโยชน์สาธารณประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อประชาชนน่ะการ 14 จังหวัดก็ 14 ครั้งทํากลับไปต่อ ก้าวละ 1 นาทีลูก 919 พอดีอาชาธรรมชาติเสิร์นไปจะวัยก็ไม่ถ้าลูกทุก 3,600 ลูกก็เป็นกรอบ 3,000 ครั้ง ก็ต้องมีมากแน่นอนความหลงก็ต้องน้อยลงแน่นอนพวก สัมจักรความมืดอะไรมาความรู้สึกตัวอะไรก็มันก็ตระหนู้ 14 จังหวัดก็รู้ 14 ครั้งอ่ะ 14 ครั้ง 14 วินาทีก็ได้ความรู้ 14 ครั้งมัน อาการเวลาหงุดหงิดเราก็เสียงก็หงุดหงิดเป็นข้อรู้ได้จริงๆอ่าเออความมีเหตุมีผลทันทีมีเหตุมีปัจจัยทัน ผลก็เกิดทันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวเฉลยเป็นกุญแจเอกเรื่องลูกเรื่องเรื่องการเรื่องใจ ปางรถ <laughs> ก็พูดเรื่องท้องฟ้าเรื่องใต้ดินน่ะพระพ่อ ธรรมะศรัทธาธรรมะเบื่อน่ะธรรมะศรัทธาธรรมะเบื่อเราเป็นตัวแทนของชีวิตของทาง เป็นตัวแทนของคริสต์เราทุกคนคือโค้ดของท่านอยู่ใน så skattawa kuthatatanam skattawa khamatatanam skattawa sankhatatanam så tjänar vi personer, ah, någon av er, det är inte tillåtet, måste ni vara som kon, inte bara i det จะโอ้โอ้พ่อหลวงพ่อดัดเสียต้องโกรธเจ็บเจ็บหน่อยนะ <c oughs> ถ้าปวดตามก็ทําปั่นถ้าเจ็บก็ถ้าเจ็บก็ยกเหนี่ยว พอ<บ> <PTSD> <c oughs> อะไรได้จะไปทุกข์เหรอเจ็บก็ทุกข์เหรอไม่ทุกข์ก็ได้ไม่เจ็บอ่ะเนาะได้ไปถ้าประมาณได้เอ่อเจ็บ